บุกทูยี่สิบสองการสนทนาสามคุณสูบบุหรี่ไหมครับไปชีเ้เจผมเคยสูบครับ แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วอรฟชรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่บุญเยอยไฟชไม่เลยครั บ, บวบนมันไม่ได้รบกวนผมครับ ่ว่า ด, ดีมิโตคุณจะดื่มอะไรไหมครับโปรสิสบรันดีไหมครับกอนยักไม่ครับผมชอบเบียรมากกว่าเนีรัชย์ปิวคุณเดินทางบ่อยไหมครับเซสตูเอเวีย บ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ no. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อนร้อนอะไรอย่างนี้ใช่วันนี้ร้อนจริงจริง áno, dnes skutočně horúco je sk velmi hor เราไปที่ระเบียงกันเถอะไปเ m น n าบ a ลคอ n พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ไซทรัตบุญี่ปาร์ตี้คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ p r ีเจเชต e เครับ พวกเราได้รับเชิญด้วย Ano, t i e ż ś m e pozwani.